ยามสวดให้กระจับกระเฉงหบหิทาวากายกายนุปสัสสวติบหิบหิตบหิเสียงสั้นพอพานน่พอพา น, พอพานบอบหิตบหิตบหิ ท, า, ท, า, ทาวากายกายนุปัสสีวิหรติอาชตังวาบหิทาวากายกาย เสียงมันขาดเลยอจตังวาบหิตทาวากายะกายานุปัสสิวิหรติสามุไดยะธมานุปัสสิวากายตสมิงวิรติสมุสมุสันส้นๆเนี่ยสามันไม่ใช่สราแนะ่นมันสามันออกไปสราไปแล้วเห็นบอเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือเรานี่แหละฮะ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 เนี่ยตรง น, นี้เนี่ยแก้มันได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยบาหิตทาวากายเกายานุปัตสีวะรติอัจฉริบาหิตทวากายเยกายานุปัตสิวะรติใครคนว่านะีฮะสามูดายะธรรมานุปัตสิวะกายสังวะรติสามุดายะวิยะสมุดยะธรรมา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 อีูเอโอเสียงยาวเสียงที ad, ou ou ่มันสะกดกันก็ว่ามันชัดว่ามันขาดไปเลยเสียงที่สะกดมีตัวสะกดอัชตังวาเนี่ยอัชตังวาเนี่ยเสียงที่มันเสียงที่มันมีตัวสะกดอัชอัชอัชตะบหิตทว่าอัชตะบหิตบหิตเนี่ยหิตนี่ว่ามันขาดเลยอัชตัหิต ทาวกายคากับเส้ากับเสอเอีมันยาวได้ว่าส้าเสอเนี่ยอัดจับฉัดตาบิตทาวกายกายานุปัสสีวิหารติยาวพอดีพอดีย่ามามันก็ยืดยืดยืดยืดสมุดยาธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหรติสามุไดยาธรรมาพุนไดมันสะอาดมันไม่ใช่สะอานะ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 บาฮิตม่ใชบาหิตนะบานี่มันไม่ใช่เสอะแล้วเนีบาิตบาฮิตบาิเสียงสั้นบาฮิท้าวกายกายานุปัสสีวิหรติอจจตบบิตทาวกายกายานุปัสสีวิหรติสมุดยะตมานุปัสสีวากายัสมิงวิหรติยัสมิงยัตสมิงอ่านี่ก็หิตเนี่ยเสียงสั้นนี่ก็หิตเสียงสั้นไม่ใช่เสียงยาว วิหารติเสียงสั้นทั้งหมดสมุดิยะสมุไม่ใช่สามูลมันไม่ใช่สะอาะนะมันไม่ใช่สะอาะนะสะอาสมุดิยะสมุดิยะธรรมานุปัสสีวากายสัมิงวิหรารติสมุดิยะวิยะธรรมานุปัสสีวากายสัมิงวิหรารติเรื่องการพิจารณาพิจารณาข้างใน<ม>น้องไปข้างนอกก็ได้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 ท่องบนมันก็ทาให้ใจของเราในสงบสงดจากนิวรณ์ได้ยุท่องบนขอยตั้งอกตั้งใจท่องท่องได้แล้วพี่เอามาสวดท่องนะคือบนบนคือท่องนั่นแหละอืมอิติอาจรตังออิติอาจรตังโออิติอาจรงตังโออิติอาชจริงตังอสมุทัยยะธรรมาสมุทยยธมะสมุทัยะธรรมา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 ดูนาะอสัญญ์ยัยงงั้นยังงั้นกว่ามโนภาพไปแล้วไม่เคยเห็นรูปการคาดการเดาอย่างนี้เลยท่าเรียกว่าหมายรู้หมายรู้เราดูให้เห็นสักที่ว่าการคาดการเดามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่ถ้าการคาดการเดาโดยที่เราไม่มีสติสมิชัญญะกำกับสัญญามันสวมรอยมาเร็วมากอสัญญารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑธรมรมารมณ์สัญญามันสวมรอยเข้ามา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 เป็นเหตุให้เราเสริมให้เราเกิดปัญญาเก <c oughs> ิดสติเกิดปัญญาเกิดสติเกิดสัมภัญญะเกิดการรู้เกิดการหมายรู้อืเริ่มแรกเราก็หัดตั้งใจทำคาดคาดเดาเดาพิจารณาอย่างนั้นพิจารณานคาดอย่างนั้นคาดอย่างนี้เดายัางงั้นเดายังงี้ก็เหมือนอย่างเราเหมือนก็เหมือนอย่างเราใช้จินตะทั่ว <c oughs> <c oughs> ๆไปจินตะคือตรึกนึกคิดคาดคาดเดาเดา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 เชื่อลองไปกำหนดพิจารณาลองดูเวลามันเกิดความหลงเคลิ่มไปกับสัญญาอารมณ์ราคะตัณหาอะไรแต่ไรเนี่ยมันจะขึ้นเสร็จแล้วกำหนดให้ขึ้นอืดขึ้นเขียวขึ้ น, น, นเหลืองตายอปาปากว้อแมงวันบินมาเจาะมาตอมมาชอนไม้ไช่นะแล้วก็เปื่อยไปเป็นช่องเป็นช่องเปืป่อยไปเป็นรูเป็นรูพรุนไปหมดมันไปเจาะรูตรงนั้นเจาะรูตรงนี้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 เกิดขึ้นจากความเกิดขึ้นจากความผิดหวังทั้งนั้นยําปิดช่างนราปฏิตามไปทุกข์ั้งเราปรารถนาอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ ส, สบายอบาวันดีคืนดีมีคนมาก่อความยุ่งยากให้กับเราแหละผิดหวังแล้วมีโลกดีๆเราต้องการปลกฝังให้เขาได้ดีได้ดีอยู่เย็นเป็นสุขโอ้เป็นอื่นไปแล้วอยู่ดีวันดีคืนดี ย, ย่าบ้าเอาไปกินเสนแล้วตายแล้วทกอีกแล้ว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 มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ล่วงพน้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้เอวังันะตีโตเมื่อเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ใจมันก็ปล่อยใจมันไม่มายึดถือมาถือปล่อยจิตมันก็ปล่อยจิตก็ปล่อยปล่อยถ อ, อนตัวออกมาถอนถอ ย, ถอ ย, ถอ ย, ถอยเหลือเต่ผู้รู้หนึ่งเดียวสลัดสิ่งเหล่านั้นออกหมดแล้วเอาอะไรมาทุกข์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 ถ้าปล่อยถ้าปลอยไม่ได้คือตัณหาคือปาทานมนเคร่ามันก็ยึดก็ถือถืออะไรก็ทุกขา น, นั้นถืออะไรก็ทุกขบ น, นั้นไม่เชื่อลองไปคิดดูถืออะไรก็ทุกข์กับมันนั้นถือสิ่งเดียวที่ไม่ทุกคือถือข้อปฏิบัติทุกอย่างลำบากกันด่างขนาดไหนก็ไดา้าขอตั้งจตั้งกตั้งใจทำทุกสมุทัยนิโรธยึดไม่ได้สักข้อยึดได้อย่างเดียวมืม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 เส้นเอนนี่มันรุกรานไปเรื่อยไหนั่งดีๆก็ดึงหลายรังแล้ว